ทีนี้ถ้าเข้าใจผิดในหลักการความเป็นจริงในอริยศาสตร์แล้วจะได้ปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยศาสตร์ไหมถ้าเข้าใจสัจจะทั้งหลายสับสนปนเปยุ่งเหยิงไปหมดจะได้ปฏิบัติเพื่อรู้แจง้งแทงตลอดอริยศาสตร์ไปได้ไหมบอกเป็นไปไม่ได้เพราะมิจฉาทิฐิมันจึงมีโทษเป็นความเห็นที่ขัดแย้งกับสัจธรรมความเห็นเหล่าใดที่ขัดแย้งกับสัจธรรมความเห็นเหล่านั้นเป็นมิจฉาทิฐิเพราะไม่นําออกจากทุกเนี่ยนะ ดูก่อนพิสูนทั้งหลายพวกเธอรู้เห็นด้วยวิปัสนาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะจะเล่นไปสงสัยในอดีตว่าคือคือคือพอเข้าใจหลักการอย่างนี้เนี่ยนะคือเข้าใจหลักการเอาไหมนะทบทวนอีกนิดหนึ่งว่าชรามรณะเนี่ยนะมีชาติเป็นปัจจัยใช่ไหมอดีตชรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยไหมอนาคตต่อไปถ้ามีชรามรณะมาจากไหนมาจากชาติชาติเนี่ยนะ ปัจจุบันนี้มาจากภพเป็นปัจจัยใช่ชาติทั้งหลายที่เคยมีมาในอดีตมาจากภพใช่ไหมถ้าจะเกิดในภพต่อๆไปอีกข้า้งหน้าก็เพราะมาชาติเหล่านั้นมาจากภพเพราะฉะนั้นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบนันชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบนันภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันอันะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพทั้งอดีตอนาคตและ ปัจจุบันเนี่ยนะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะผัสเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาทั้งอดีตอนาคตหรือปัจจุบันผัสก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาหรือว่าเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาจะอดีตอนาคตหรือปัจจุบันนี้ก็ตามสลายตนะก็เป็นปัจจัยแก่ ภาษาจะอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามนามรูปว่าเป็นปัจจัยแก่สลายตนะจะอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามนามรูปก็เป็นปัจจัยแก่สลายตนะสังขารก็เป็นปัจจัยแก่อวิญญาณก็เป็นปัจจัยแก่นามรูปสังขารก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณจะอดีตเมื่อยาวนานขนาดไหนอนาคตอีกไกลขนาดไหนปัจจุบันนี้ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็ตามอวิชาก็เป็นปัจจัยแก่สังขารถ้าดับนะนะ ถ้าดับสังขารถ้าดับอวิชชาได้สังขารก็ดับอดีตการทั้งหลายพ้าริยเจ้าทั้งหลายก็ดับอวิชชาได้สังขารของท่านเหล่านั้นจึงดับผ้าริยาทั้งหลายที่จะมีในอนาคตต่อไปอย่างไรท่านเหล่านั้นก็ดับอวิชชาได้สังขารก็ดับภ้าริยาเจ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่ท่านดับอวิชชาได้สังขารก็ดับเพราะฉะนั้นอดีตหรืออนาคตหรือปัจจุบันถ้าดับอวิชชาได้สังขารก็ดับ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 นนะสำหรับผู้ที่รู้้รูเหตุเกิดและความดับอย่างนี้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายในและคลายกาหนัดในวัตะอย่างนี้จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ชรามรณะเป็นใครเป็นเราใช่ไหมหรือว่าเป็นของเราเป็นผู้อื่นหรือว่าเป็นของผู้อื่นอาพันอดีตนี่ก็คือชรามรณะใช่ไหมอนาคตก็คือชรามรณะใช่ไหม ทั้งอดีตก็คือชรามรณนะปัจจุบันก็คือชรามรณนะอนาคตต่อไปก็คือชรามรณนะอดีตก็ชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณนะอนาคตชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณนะปัจจุบันก็ชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณนะถ้ามีปัญญาแบบเนี้ยจะมานั่งสงสัยว่าอดีตเรามีไหม iği, คิดแบบคนเมาเท่านั้นเออดีตเราเคยมีหรื e? อเปล่าเนาะหรือเราไม่เคยมีมาแล้วไหนอดีตเอแล้วเมื่ออดีตเราเป็นอะไร เออแล้วเราเป็นอย่างไรเออเราเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรต่อไปงงไปหมดเลยใช่ไหมจะนั่งสงสัยอย่างนี้ไหมอดีตมันก็เป็นชาลามรณะที่มีชาติเป็นปัจจัยไม่ต้องสงสัยหรอกมันเป็นยังไงก็เป็นไปเถอะมันก็คือชาติมีเป็นปัจจัยจึงมีชาลามรณะเนี่ยนะถึงเป็นอย่างอื่นมันก็มันก็เรียกเรียกกันไปอย่างนั้นมันจะเป็นตัวสูงตัวดําตัวขาวมันจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะมันก็คือชาลามรณะที่มีชาติเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นจึงไม่สงสัยในอดีตเลย มันพาหารหันปัญญาวิมุตบางพวกไม่ได้ระลึกชาติได้เลยแต่ท่านมีปัญญารู้ว่าอดีตนั้น่ะชาติมีชรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยท่านไม่มีอนาคตังสยามแต่ท่านรู้ว่าชรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยปัจจุบันนี้ท่านไม่มีตาทิพมองเห็นใกล้ไกลแต่ใครก็ช่างเถอะที่แก่ตายก็มีชาติเป็น ปัจจัยท้งนั้นแหละท่านไม่ได้สงสัยเลยเนี่ยนะมันก็คือกองทุกข์มื่ออดีตก็กองทุกข์อนาคตก็คือกองทุกข์ปัจจุบันนี้ก็คือกองทุกข์ท่านจึงไม่สงสัยในอดีต ท, ทั้งหเอ่อทั้งห้าข้อเลยเช่นอดีตเรามีไหมหรือว่าเราไม่ได้มีเราเป็นอะไรแล้วเป็นอย่างไรเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรต่อต่อไปเนี่ยนะมันก็เป็นกองทุกข์นั่นแหละเนี่ยนะท่านไม่ได้สงสัยเลยนั้นความจริงมันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นอดีตอดีตก็คืออตีตาธรรมมาใช่ไหม มันก็คือกองทุกอนาคตก็คืออนาคตาธรรมมามันก็คือขันก็คือชราและมรณะปัจจุบันก็คือปัจจุปนนาธรรมมาก็คือขันธาตุอเยตนะที่เจือปนไปด้วยชราและมรณะทั้งหลายเนี่ยนะมันท่านจึงไม่สงสัยเลยว่าอนาคตเราจะมีไหมเพราะอนาคตก็มีชรามรณะก็มีชาติเป็นปัจจัยใช่ไหตกลงเรามีหรือไม่มีชาติมีชรามรณะเป็นปัจจัย ก็คือเพราะอะไรเพราะพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่ไม่มองเห็นอะไรพอที่จะคิดว่าเป็นตนได้ท่านเห็นรู้ว่าเป็นตนใช่ไหมเห็นรู้ว่าเป็นเราใช่ไหมเห็นเวทนาว่าเป็นเราไหมเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณว่าเป็นเราไหมเห็นชรามรณะว่าเป็นเราไหมวันท่านจะไม่สงสัยเลยวอนาคตเราจะมีไหม หรือว่าเราจกไม่มีเราจกเป็นอะไรแล้วเราจกเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วจะเป็นอะไรต่อไปตายจากชาตินั้นแล้วจะไปชาติไหนต่อไปแล้ว ไ, ไปยังไงไปอยู่ที่ไหนไปยังไงเขาไม่สงสัยหรอกเพราะมันมีแต่ชราและมรณะเป็นปัจจัยเนี่ยนะก็คือเหมือนกับว่าคนที่รู้จักสมุดโรคและรู้จักสมุดฐานของโรคถ้ามีสมุดฐานยังไงโรคเหล่านี้ก็ต้องมี ถ้าดับสมุดฐานโรคเหล่านี้ได้โรคก็เป็นอันดับไปใครจะเป็นโรคมันก็คือโรคประเภทนี้แหละไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าเป็นใครหรอกว่า ง, งั้นเถอะเหมือนกับถ้าเชื่อว่าคนเป็นหวัดเนี่ยนะถ้ามีเชื้อหวัดคนก็เป็นหวัดนะนะถ้าร่างกายอ่อนแอเนี่ยนะแล้วมีเชื้อหวัดยังไงคนมันก็เป็นหวัดนะจะอยู่ตำแหน่งไหนมันก็เป็น วัดวันยังค่ําเนี่ยนะถ้าคนที่แก่เนี่ยน ะ, ะถ้าอยู่มานานแล้วก็แอบแม้ถูกแดดเป็นต้นแผดเผามันก็คือคนแก่จะเกิดในชาติชนชาติพันธุ์วันณะไหนมันก็คือคนแก่วันยังค่ํานั่นแหละก็ต้องไปใส่ใจหรอกอย่างอื่นใส่ใจว่าชรา ม, มรณะมีชาติเป็นปัจจัยนะแต่ว่าชราและมรณะนี่แม้อาหารที่อร่อยมากของโซกะโซกะชอบเนี่ยนะนะอายุมากๆขึ้นคือว่าชรา ม, มรณะเป็นเหตุให้บ่นมากเนะนะ อาจริงก็ือเป่าชรามรณะนี่เป็นเหตุให้ปริเทวะก็คือโบนนั่นแหละชรามรณะเป็นเหตุให้ทุกข์กายและก็เสียใจเนี่ยนะเจ็บป่วยบ่อยๆเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยเจ็บปวดอะไรขนาดนี้เลยเนี่ยนะชรามรณะเป็นเหตุแห่งความคับแค้นใจในะบางคนเขาแค้นใจไหมถ้าอย่างนี้นะถ้าสามัยเป็นหนุ่มๆ น, นะบนกว่าถ้าสามัยเป็นสาวๆนะบอกว่าเฮ้ยบินหมดแล้วเนี่ยนายไคิดอะไรมากนะ มันยังไม่กระจายกันนี้ก็ดีแล้วนะฮ ะ, ะ, ะว่าสายฟังธทำต่อไปแล้วกันนะคือคนที่เข้าใจแบบนี้จะสงสัยแม้เออปัจจุบันนี่เรามีหรือรว่าเราไม่มีปัจจุบันนี้สงสัยแม้อะไรเป็นเราและตกลงจริงอะไรเป็นเรา เอารูปเป็นเราใช่ไหมเอาเวทนาเอาสัญญาเอาสังขารเอาวิญญาณเป็นเราได้ไหมรูปมีแต่เราไม่มีเราเนี่ยโมอะไรนะกล่าวตู่เฉยๆเนี่ยมั่วรูปมันก็เป็นรูปแต่เราไป็มั่วว่ารูปเป็นเรารูปเป็นของเราเวทนามันก็คือเวทนาแต่เราก็มั่วได้ว่าเออเวทนาเป็นเราเป็นของเราสัญญามันก็คือสัญญาสังขารมันก็คือสังขารวิญญาณมันก็คือวิญญาณชรามรณะมันก็คือชรามรณะแต่เราก็มั่วจนได้นะเฮ้ยเราว่า ว่าเราว่าเป็นของเราเนี่ยนะทั้งๆ ท, ที่มันก็ไม่ได้เป็นมันก็ไม่เป็นให้อย่างที่ใจเราเราก็ยังมั่วอีกว่ามันก็ต้องเป็นเราเป็นของเราก็ใครจะโง่เท่าเราใช่ไหมก็มีเราโง่อีกใช่ไหมอวิชชาเกิดจากอาสวะว่างั้นนะ่ะนะอาสวะก็มาจากอะไรก็มาจาก อ, า ว, ะนะอาวิชชาอันนอวิชชาก็มาจากอาสวะนะนะั่นแหละก็ไล่สืบเนื่องกันไปวัตตะก็อยู่อย่างนี้แหละไม่มีจบมีสิน้นมันคนที่มีปัญญาจะไม่สงสัยเลยว่าเรามีหรือว่าเรา ไม่มีเพราะอะไรจะเป็นเราล่ะตกลงแล้วเราเป็นอะไรก็เป็นขันอยนายตนะธาตุนั่นแหละจะไปเป็ น, เ ป, นเป็นเราเป็นยังไงได้ยังไงมันจะไม่สงสัยว่าเราเนี่ยมาจากไหนแล้วเราจะไปไหนไปยังไงมายังไงเป็นใครอยู่ที่ไหนปัญหาประเภทนี้หมดเลยเพราะมีแต่กองทุกข์เท่านั้นแหละ สรุปว่าเมื่อเธอรู้เห็นสัจธรรมตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะพวกเธอรู้เห็นอริยสัจตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้พึงพูดอย่างนี้ว่าภาษาสดาเป็นครูของพวกเราเราจะต้องกล่าวอย่างนี้ด้วยความเคารพต่อภาษาสดาเท่านั้นดังนี้บ้างหรือไม่ที่พูดพูดพูดอยู่นี้เนี่ย เพราะว่าเออท่านเป็นศาสดาของเราถ้าเราไม่อาศายัยท่านเราอยู่ไม่ได้หรอกพวกเราเนี่ยนะอิงท่านไปเถอะเชื่อท่านไปเถอะถ้าไม่มีท่านเราอยู่ไม่รอดหรอกเราไปไม่รอดแน่เพราะท่านเป็นครูของเราเชื่อเชื่ อ, อท่านไปเถอะพวกเธอเนี่ยนะพูดเพราะความเชื่ออย่างเดียวอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีเลยพระเจ้าค่ะเพราะความจริงมันเป็นอย่างนี้ ไม่ได้เห็นแก่หน้าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสพูดอย่างนี้เนี่ยนะเห็นแก่พระพักของพระองค์แม้กลัวจะเสียเกียรติเสื่อมเสียเกียรติยศก็พูดพู ด, พดตามพระองค์ไปพระองค์เป็นาศาสดาของเราเราก็มั่วๆตามพระองค์ไปจริงๆไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะจริงๆมันก็เป็นอย่างนี้มันพ่สูท่ทั้งหลายท่านก็บอกว่าที่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดเพียงแต่ว่าแหมเคารพยำเกรงเกรงใจท่านก็เลยพูดแบบมั่วๆตามท่านไปอ่นะอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วพวกเธอเนี่ยนะ รู้เห็นอริยสัจอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยจะพูดอย่างนี้ว่าพระสมณะตรัสอย่างนี้สมณะทั้งหลายพวกเราไม่กล่าวอย่างนี้บ้างหรือก็คือกูนี่พูดตามเขาว่าอย่างนี้นะแบบพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้เนี่ยมันก็คงอย่างนี้มั้งจาแบบข้าๆก็ยกให้ท่านไปเลยแบบนี้ลักษณะนี้ไหมบอกไม่มันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะอะไรเพราะรู้เห็นอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอรู้เห็นอย่างนี้เนี่ยนะจะพึ่งนับเปลี่ยนศาสดาไหมมีคนที่ดีกว่าพระพุทธเจ้าอีกไหมถ้าหากว่าได้ศึกษาคำสอนปฏิบัติตามคำสอนจนรู้เห็นอรยิยสัจตามที่กล่าวไปแล้วคิดว่าจะมีคนอื่นที่ดีกว่าพระพุทธเจ้าไหมเนี่ยนะจะต้องไปนับถือคนอื่นอีกไหมไม่มีเลยพระเจ้าค่ะ เพียกสูทั้งหลายพวกเธอรู้เห็นอย่างนี้จะพึงสมาทานวัดเพราะตื่นคำว่ามงคลตื่นตูมเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยเพราะตื่นด้วยมิจฉาทิฐิเช่นทิฐิมงคลสุตะมงคลมุตตะมงคลเป็นต้นเนี่ยจะมีบ้างไหมจะถือเอามงคลอื่นนอกจากมงคลสามไหมเนี่ยนะจะไปถือเอาลัทธิมงคลทิฐิของลัทธิเหล่าอื่นจะเป็นไปได้ไหมไม่เป็นอย่างนั้นเลย ภิกษุทั้งหลายสิ่งใดที่พวกเธอรู้สิ่งใดที่พวกเธอเห็นสิ่งใดที่พวกเธอทราบเองพวกเธอพึงกล่าวสิ่งนั้นใช่ไหมพูดอย่างนี้พูดเพราะรู้พูดเพราะเห็นพูดเพราะเข้าใจพูดเพราะเข้าถึงที่เธอพวกที่พวกเธอพูดเน่พูดเพราะอย่างนั้นใช่ไหมบอกพระพุทธเจ้าค่ะใช่ พูดเพราะรู้เห็นแล้วก็เข้าใจเองไม่ได้พูดเสียย้ยวเพียงแต่สักแต่ว่าเชื่อว่าเออนี้เป็นผู้รู้นี่เป็นภาษาสดาของเราเนี่ยเรานับถือไปก่อนนะเจอศาสดาดีกว่านี้เราก็จะเปลี่ยนศาสดาแล้วเป็นต้นไม่มีเลยเพราะพูดเพราะรู้เพราะเห็นเพราะเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเพิกศูนยทั้งหลายข้อที่กล่าวนั้นถูกแล้วพวกเธออันเรานําเข้าไปถึง นำเข้าไปด้วยธรรมนี้แปลว่าเราได้พาพวกเธอเข้าถึงพระนิพพานแล้วคือนำพวกเธอเข้าถึงอริยศาสตร์แล้วนำเข้าถึงทุก์เพื่อการกําหนดรู้นำพวกเธอเข้าถึงสมุทัยเพื่อการละนำเข้าถึงนิโรธด้วยการทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนำมาซึ่งการปฏิบัติที่เป็นสัมมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่นําออกจากทุกขธรรมนี้เป็นสันทิฏฐิโกเนี่ยนะมรรคผลนิพพานเป็นสันทิฏฐิโก มรรคผลนิพพานเนี่ยนะเป็นธรรมที่เห็นได้ด้วยตนเองอริยมรรคทั้งหลายอากาลิโกผู้ที่เห็นอริยสัจอย่างนี้เป็นอากาลิโกและเป็นสิ่งที่ดีจริงๆควรเรียกให้คนอื่นมาดูมรรคผลเนี่ยนะควรน้อมให้เกิดขึ้นในจิตของตนใจของตนควรน้อมเข้าไปสู่พระนิพพานธรรมเหล่านี้อุคติตันยูวิปัญจิตันยูรู้ได้เฉพาะตน คำที่เรากล่าวว่าดูก่อนพิสูจน์ทงหลายธรรมะนี้เป็นธรรมะที่เห็นได้ด้วยตนเองให้ผลไม่จํากัดการเรียกให้ควรมาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตนวินยูชนมิอุคติเป็นยูเป็นต้นเพ่งรู้ได้เฉพาะตนเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วเนี่ยนะั น, นก็แสดงว่าปฏิเสธมิชาทิฐิเป็น เบื้องต้นกล่าวสัมมาทิฏฐิพร้อมทั้งข้อปฏิบัติเพื่อให้ตรัสรู้อรยิยสัจทั้งวัตตะและวิวัตะแล้วก็เป็นคนที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้ดีจริงๆเพราะเห็นอริยสัจเนี่ยนะบุคคลนี้ก็เป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมผู้ที่เข้าถึงธรรมอย่างนี้เบื้องต้นก็เป็นโสดาปติมัคโสดาปติผลไล่ขึ้นเป็นสกท า, าคามิมัคสกท า, าคามิพลอนาคามิมัคและอนาคามิผล อ, าาผลอรหัตตมัคและอรหัตตผลเพราะฉะนั้น ตั้งแต่เบื้องต้นจนปัจจุบันก็แสดงว่าจบลงที่อริยศัสตร์แล้วเนี่ยนะก็จบลงที่เป็นอริยศัสตร์กเรียกว่าหมดวาระหมดนี้นี่จะขึ้นสนทิการเชื่อมโยงเรื่องใหม่เนี่ยนะในข้อ452จะเป็นการขึ้นหัวข้อใหม่แล้วก็คงพักสักครู่ก่อนเช่นกัน